แต่ออกไปข้างนอกเต็มไปหมดนะอย่าเชื่ออย่าไปเชื่ อ, อ, อความคิดคนเราที่ป่วยในยพวกป่วยโรคประสาทพวกไหนพวกไหนพวกรโรคประสาะทนะอใครเป็นคนคิดนคนเอื่นคิดให้หรือว่าใครคิ ด, เ, คดเออนั่นแหละคนไม่รู้โทษของความคิดก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยออกจากสิ่งที่เราติดคนสุบรี เหม็นควันบุหรี่ไหมไม่เหม็นแต่ถ้าคุณเลิกล่ะเหม็นไห ม, ไม เ, หเหมือนกันถ้าเราไม่เคยหยุดคิดเราจะไม่รู้โทษของความคิดแต่ถ้าหยุดคิดได้เราจะเห็นเลยหู oo, ทําไมมันน่าเกลียดขนาดนี้ความคิดที่ทาให้เราทุกข์ทำให้เราแบบคือไม่มีเวลาที่จะเราจะไม่สร้างบาปเล่นทำกรรมเลยนะพวกเรานะสร้างบาปสร้างกรรมกรรมเนะี่ยหมายถึงว่าทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่เราคิดไปเนี่ยนะ แต่เข้ามาบาปหมายถึงว่าเราคิดไม่ดีลองดูดิถ้าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าเราสร้างบาปคือถ้าคิดไม่ดีเป็นบาปสร้างกรรมคือคือิดทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยเป็นกรรมเป็นกรรมมันต้องได้รับผลก็คือวิบากท่านจึงให้พวกเราทาําสมาธิทำสมาธิไงเพืตต่อสกัดตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรหรอกยังไม่ต้องรู้อะไรหรอกเพียงแค่ว่าเราทํายังไงถึงจะไม่ให้จิตเราเป็นบาปเป็นกรรมเข้าใจไหมเอออย่าไปเชื่อความคิดดือ ครูบาอาจารย์นะท่านหลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านจะบอกว่าจิตนะ่ะมันซุกซนนะจิตมันเหมือนลิงระหว่างอยู่พระเจ้าตรัอย่า น, นเลยเนาะจิตกัดเกรงนะจิตหาสาระไม่ได้คิดดีคิดถูกก็ยังทุกข์เข้าใจไหมคิดดีคิดถูกก็ยังทุกข์เนี่ยยังอาจารย์เดินทางบ่อยๆเนี่ยบางครั้งอาจารย์เนะี่ต้องนั่งอยู่สนามบินตั้งเจ็ดชั่วโมงเลยนะเจ็ดชั่วโมงทําไมเครื่องดีเลยไม่เปล่า ไม่ใช่ดีเลยอย่างเดียวเครื่องชิ้นส่วนมันร่วงอย่างเงี้นะคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องได้ซ่อมอย่างงี้นะกําหนดเขาจะวิ่งกําหนดเขาจะออกประมาณบ่ายโมงกว่ า, างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าสามทุ่มสามทุ่มถึงจะได้ถึงจะได้ถึงจะได้ไปนะ้ํามันต้องมาซ่อมก่อนมั้งกันเถอะก็บังเอิญเขาก็ให้เห็นว่าเราเป็นพระเขาก็เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนเครื่องให้ได้มาเที่ยงได้มาหกโมงเย็น อาจารย์ไปรอตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงนะยงโยมกบอกอาจารย์อาจารย์อยู่ได้ไงตั้งหา้าหกชั่วโมงบอกว่าอาจารย์นั่งรอดได้หกชั่วโมงอาจารย์ก็บอกว่าวัดอาตมาไม่มีแอร์เข้าใจความหมายไหมหกชั่วโมงอยู่วัดกับหกชั่วโมงกับสนามบินต่างกันไหมต่างกันไหมต่างที่ไหนอ่ะมันเท่ากันไม่ใช่เหรอมันเท่ากันมันไม่ได้ต่างกันคือหมายถึงว่าเวลาเท่ากัน อยู่ที่วัดที่อาจารย์พูดอย่างนี้หมายถึงว่าพูดในทางให้มันดีไงอยู่วัดอาจารย์ไม่มีแอะอันนี้นั่งอยู่ในแอร์ชิเกอไม่ได้ทําอะไรอยู่วัดหกชั่วโมงอยู่นี่ก็หชั่วโมงเหมือนกันอย่างเงี้ยเนอะมันอยู่ที่เราคิดไงเราคิดเมื่อไรจะได้ไปเมื่อไรจะได้มันได้ไปไหมก็ไม่ได้ไปจะดีเนอะใครเป็นคนทุกข์อย่างเนี้ยโวยวายกันนะโยมมืนว่าโอ๊ยโวยวา ย, วายเสียงนี้อาจารย์ไม่เสียงอะไรกันเครื่องดีเลยเอาแล้วโวยวายมันได้ไปเหรออาจารย์เข้าใจไหม อ, อ, อาจารย์พัดเกิดที่วัดรามเก้าเนี่ยไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมโยมก็บอกว่าอาจารย์ไม่เกิดดักเหรอเขาอาจารย์อยู่ได้อยู่นี้เห็นอาจารย์ตายไหมเนี่ยไม่เจอไหมมันช่องประตูมันยังมีช่องว่างๆอยู่เล็กๆ ก, กันนะนั่นอาจารย์อาศัยอารม์ลมแค่นั้นแหละมันไม่ได้ปิดหมดยังไงลมให้ใจมันนิดเดียวอยู น, นะพวกเรานะ ลมหายใจมันนิดเดียวเองเพราะเราใช้นิดเดียวเองลมหายใจนั่นนะเนี่ยสิ่งที่มีคุณที่สุดก็คือตรงนี้เองนะลมหายใจเบานิดเดียน่ะเอาแค่นั้นแหละใช้น่ะนะไม่ต้องมากกว่นั้นเดะอตะวันนี้ทุกง่ายนะอกไปไม่มาใช่ไหมทุกไหมไฟไฟดับมาทุกไหมไม่จะไม่จะทุกเพราะไม่มีแอร์นะไม่จะทุกเพราะมีพัลมนะทุกเพราะไม่มีไฟชัดโทราศัพท์ ปัญหามัน่ะไม่มีไฟชดโทรศัพท์เดินทุกกันแล้วเอออย่าเชื่อความคิดนะอย่าหลงนิมิตนิมิตก็คือสุบินนิมิตก็คือความฝันก็เป็นนิมิตหรือทำสมาธิภาวนาอันนี้ไม่ต้องพูดหลงภาวนาไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่านิมิตในที่นี้หมายถึงความฝันไงวันนี้หวยจะออกแล้วเมื่อคืนฝันอะไรกันนะเออก็จะไหม เชื่อนี่เ น, นี่ยยิ่งคนในสาลเนี่ยโอ้ยไปเชื่อความบางคนเชื่อความฝันทุกนะเมื่อวานอาจารย์คุยกับโยมมาเลยที่เป็นโรคเนี่ยแหละเมื่อเมื่อก่อนนะโยมเชื่อความฝันฝันไม่ดีๆไปทุกมีไหมอย่าลงนิมิตอย่าติดอารมณ์มันไม่เที่ยงโรกรธดกลเยดทะจังทั้งหลายไม่มีอะไรทรงอยู่สักอย่างนะแต่เรานี่มันอย่างนั้นมันอย่าง ง, า ง, งี้มันอย่างงี้เวลาโยมกโกรธนะคุยธรรมะนะไม่เชื่อหรอกอาจารย์ไม่พูดธรรมะนะ โทรศัพท์มามีปัญหาทางครอบครัวอาจารย์ก็บอกว่าโยมรักษาไว้นะรัฟษาอะไรอาจารย์รักษาความกโรกรธคนอย่างให้มันดับอาจารย์ว่ า, างี้นะมันมันมันรักษาได้ไหมพวกเรารักษาได้ไหมหัวล็อกากเลยเนอะหัวล็อกเป็นทีเลยพอหัวล็อกเสร็จทีนึงเป็นไงอาจารย์บอกว่าโยมคิดอีกสิคิดอะไรอาจารย์คิดเหมือนที่ยโยมโกรธแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะมันคิดอีกไหมแต่ หลงเข้าไหมนะ่ะหลงอารมณ์อารมณ์โกรธมาแล้วก็คนเวลาโกรธรักกันไหมเวลารักโกรธกันไหมเวลาหลับนะ่ะโกรธกันไหมรักกันไหมเวลานอนหลับอะ่ะรักใครไหมโกรธใครไหมพอตื่นขึ้นมาไปคิดถึงเรื่องที่ทะเลาะกันเอาอีกไหมโกรธ อ, อีกไหมไปคิดถึงคนรักเขารู้เรื่องไหมเนี่ยตกลงไปที่นใครเป็นที่ใครที่ว่าไนไย นั่นแหละนั่นแหละอันนี้จบเลยนั่นเด็กเลยว่าเออเป็นที่เราหมดทุกอย่างอันที่อมาบอกให้รักษาความโกรธเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่ปรุงแต่งแค่นั้นมันก็ไม่มีเรื่องแล้วที่ปรุงแต่งมันก็มันอย่างงั้นมันอย่างงี้มันอย่างงี้มันไม่มันอย่างงั้นตลอดไปหรอกเคยไหมเคยเข้าใจผิดกันไหมล่ะเคยเข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดกันอื่นอะไรอย่างงั้นแหละเราคิดเองไหมเกลี่ยไปตุกไปตักมันอย่างงั้นมันอย่างงี้ ขอทษขอโทษขคุณอีกมืออาจารย์เคยดูหนังนานแล้วล่ะสี่สิบห้าสิบปีแล้วหนังฝรั่งหนังกรีนในเรื่องน่ะผู้หญิงกับผู้ชายไปนอนด้วยกันพอนอนด้วยกันตื่นขึ้นมาผู้หญิงก็ไม่เห็นผู้ชายด่าแหลกเลยที่ใส่ผู้ชายมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันได้แล้วมันก็ทิ้งใ น, นนี้อย่างนั้นนี้ ที่กิงผู้ชายเขาตื่นผู้ชายเขาตื่นแต่เช้าเขาไปซื้อดอกไม้มาให้อย่างนี้ได้ไหมก็ใจไหมด่าไปแล้วขาทุนไปแล้วดูหนังดูละครก็คือตัวเรานั่นแหละคนแสดงเนี่ยไม่รู้ทําเป็นไม่รู้แต่งตัวเป็นผู้หญิงหน้าแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่คนในเรื่องก็จะไม่รู้กันใช่ไหมแต่คนดูรู้ไหมเออนั่นแหละมันจะมีผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งนะพวกเราฟังให้ดีนะอผู้คิดตัวหนึ่งผู้ผู้ผู้รู้ตัวหนึ่งนะ เวลานั่งสมาธิมันคิดต่อาจามันฟุ้งสั้นคุณได้ตั้งใจฟุ้งไหมตั้งใจคิดไหมมีมีผู้รู้จะมีทาไมมีผู้รู้อ่ะพวกเรานอนหลับนี่นะพวกเรามีผู้รู้ไหมไม่มีใครบอกว่ามีไม่มีมมอมนะถามอาจารย์ที่พวกเรานอนหลับมีผู้รู้ไหมมีที่ไม่มีจะพูดได้ไงว่า ม, มาเคื่อนฝันอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไหม เมื่อคืนนี่ฝันอย่างงั้นอย่างงี้วันนี้ตีซื้อหวยแล้วนะวันนี้เข้าใจไหมเมื่อคืนนี้วู้นไปลงฝันอจําไม่ได้เลยรู้ได้ไงเพราะตียงฝันจําไม่ได้เมื่อคืนนี้ว่าหลับสบายหลับสบายไม่ฝันรู้ได้ไงสามการนี่นะฝันก็รู้เตียงฝันใครเป็นคนฝันกิจเราเป็นคนฝันเราได้ตั้งใจฝันไห ม, ไมจะบอกว่าเราได้ไง เห็นไหมมันมีผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งนะพวกเรานะพวกเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราไม่คิดเราจะไม่รู้มันรู้อยู่แล้วขนาดหลับมันยังรู้เลยฝันใช่ไหมทำไมจะจําได้ทั้งทัที่ฝันนะผู้ฝันต่างหากใช่ไหมผู้คิดผู้ฝันในฝันต่างหากแล้วผู้รู้ก็รู้ฝันนีนต่างหากเราเามากน้นในฝันเพื่อนฟังอีกเฉยเลยนะจําได้ก็รู้จําไม่ได้ก็รู้เข้า <c oughs> ใจไหม <m h? S 2> ไม่ฝันหลับสนิทยังรู้เลยว่าเมื่อคืนหลับสบายเห็นไหม อย่าลงนิมิตอย่าติดอารมณ์อารมณ์ก็ไม่เที่ยงอย่าข่มความจริงเนี่ยจะมาไปแสดงทำทุกเดือนที่โรงพยาบาลนะพอแสดงทำเสร็จแล้วก็ให้อาจารย์ไปปลดพ่อพ่อยุเท่าไหร่แปดสิบแปดปีไม่รู้สึกตัวมาตั้งสองเดือนอาจารย์เลยถามคนที่พาไปเนะี่ลูกๆกันนะอาจารย์บอกว่าคนแก่เนะ่ยเขาทุกข์ไหมคนแก่ทุกข์ไหม แค่แก่ก็ทุกข์แล้วนะนี่คนป่วยอีกทั้งแก่ทั้งป่วยแล้วจะจ ะ, จ ะ, จะให้จามาแผ่เมตตาให้เขามีชีวิตอยู่หรือเข้าใจไหมจะให้ให้จามาแผ่อะไรให้แผ่เขามีชีวิตอยู่ทั้งทั้งที่แก่แล้วก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วยังให้มาป่วยอีกแล้วไม่รู้สึกตัวนี่ยนะพอแต่คุณเอ๋ยเขาอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ให้เขาไปเลยคุณให้เขาอยู่เพื่อความสุขของคุณแต่คนเขาอยู่เขาทุกข์เข้าใจไหมวเราเนี่ยแถวที่สองแาวนี้ก็เอาอีก อยู่ในห้องไอซไม่รู้สึกตัวจะให้อาจารย์ไปแผลเม่ตายยังไงจารแผลพวกคุณนี่แห ล, ละนรกก็จะไหมมันแก่มันทุกพวกเราแค่แก่ก็ทุกอยู่แล้วนะจะลุกจะนั่งจะมันทุกอยู่แล้วแล้วยจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรทีเนี้ยอายุแปดสิบปีอย่าไปบอกว่าป่วยโรคนั้นโรคนี้นะพวกเรานาะคนแก่อย่าไปป่วยบอกว่าป่วยโรคนั้นโรคนี้เขาป่วยเพราะตายเขาก็แก่เพราะตายเออที่เขาตายเนี่ยตายเพราะแก่ไม่ใช่จ๊ตายเพราะป่วยนะพวกเรานาะ จนว่าไปคิดอย่างนั้นเวลาป่วยแล้วจงไปดูแลโอ้ยไอ้แค่แก่มันก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วยอมนั่นน่ะนี่เราเรียกว่าข่มความจริงเข้าใจไหมเกิดแก่เก็บตายธรรมดาทั่วไปเลยนี่นี่เรียกข่มความจริงอย่าเชื่อความคิดอย่าลงนิมิตอย่าติดอารมณ์อย่าข่มความจริงรับพร